บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในจิตาอุปัชนาคู่ที่สามที่ทรงสอนว่าเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตของเรามีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตของเราปราศจากโมหะนั้น มีนิย่าที่จะพึงกําหนดศึกษาในรายละเอียดอยู่เป็นนั้นมากเพราะในชันของการปฏิบัติกรรมฐานนั้นผู้ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติระลึกรู้ทันอารมณ์อยู่ทุกขณะดังนั้นอารมณ์ที่ใช้ปฏิบัติกรรมฐานทุกอย่างจึงมีลักษณะเป็นเครื่องผูกใจเอาไว้กับอารมณ์แบบนั้น แมใ้ใจพากแลหลุดเดือนลอยไปจากอารมณ์เหล่านั้นเช่ในในการภาวนาหายใจเข้าัาพุทธหายใจออกพุโทโธสำหรับบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามีบางช่วงที่ว่างอยู่กิเลสอาจจะเกิดขึ้นแทรกซ้อนในขนาดนั้นโดยเรากำหนดไม่ทันก็ได้บางท่านจึงใช้พุโทโธธโมสังโฆอยู่ตลอดมันมีลักษณะเหมือนการผนึก ของเข้าไปในที่ใดที่หนึ่งคืออัดวัตถุเข้าไปให้แน่นในที่เหล่านั้นเพื่อไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเจือปนอยู่ในวัตถุในสิ่งของเหล่านั้นเรื่องการระลึกรู้จิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแล้วทําอย่างไรสติที่ทําหน้าที่ระลึกอยู่ที่จิตอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานจะระลึกแน่หน้าอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น จนสามารถรู้ขณะจิตของตนได้อย่างชัดเจนว่าขณะนี้จิตของตนเป็นอะไรซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปข้อที่ทรงแสดงทั้งหมดนั้นคือให้ดูสภาพจิตที่เป็นกุศลกับ อ, อกุศลเท่านั้นเองยามใดที่จิตประกอบด้วยกุศลธรรมก็ทรงสั่งสอนให้ประคับประคองรักษาคุณภาพแห่งจิตเอาไว้ยามใดที่จิตตกอยู่ในกลุ่มของอกุศลธรรมจะเป็นข้อใดก็ตาม ให้พยายามบรรเทาความรุนแรงของอารมณ์เหล่านั้นจนถึงกระละวางดับตามสมควรแก่กรณีและกำลังแห่งธรรมะที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขนาดเนื่องจากโมหะก็คือพวกมอวิชาซึ่งเป็นต้นข้าวของกิเลสทั้งมวลอันปรากฏในรูปแบบต่างไม่ว่าจะเรียกว่าโลภะศัสะโมหะหรือเรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามล้นแล้วแต่มีมูลรากใหญ่ มาจากอวิชาท่านั้นดันั้นโมหะจึงแสดงอาการออกมาในรูปของความไม่รู้แปดเรื่องด้วยกันและในความไม่รู้แปดเรื่องเหล่านั้นท่านที่เคยศึกษาในด้านปริยัติแต่แม้ที่เคยสดับสับฟังมาโดยดำดัดก็จะพบว่าอาการของโมหะปรากฏตัวในรูปลักษณะแตกต่างกัน เมื่อกล่าวถึงอวิชชาก็พูดถึงความไม่รู้ในเรื่อง8ประการพอพูดถึงวิจิจิชาก็พูดถึงความสงสัยในเรื่อง8ประการพอพูดถึงโมหะก็พูดถึงความไม่รู้หรือความหลงในเรื่อง8ประการ8ประการจึงกลายเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนไปทุกกรณีสําหรับกิเลสสายโมหะเหล่านี้ความหลงใน8ประการ น, นั้นมีอะไรบ้าง ก็คือความหลงหรือความไม่รู้จริงในเรื่องของพระพุทธเจ้าในเรื่องประธรรมในเรื่องของพระสงฆ์ในเรื่องของใจศิกขาในเรื่องอดีตอนาคตตั้งอดีตอนาคตและกฎของปฏิจจสมุปบาทริกไนยนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอริยสัจสี่สประการได้แก่ความไม่รู้ในทุกสมุทัยนิโรธมรรคและ4ประการหลังก็เหมือนกัน แม้ว่าจะมีการจําแนกชื่อแตกต่างกันในสข้อข้างต้นก็ตามแต่แท้จริงแล้วโดยความก็เป็นเรื่องเดียวกันพราะถาบุคคลรู้ซึ่งถึงคุณของปรัชนาใจก็ชื่อว่าเป็นการรู้อรยิย ส, สัจสีคนรู้อรยิยสัจสีก็ชื่อว่าเป็นการรู้ซึ่งถึงคุณของปรัตนาใจเพราะเป็นเรื่องที่มา จ, จะแยกออกจากกันได้ อวิชาคือความไม่รู้ที่ปรากฏในอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการหรือจะปรากฏในคุณของพระพุทธเจ้าก็ตามถ้าไม่ได้มุ่งหมายเอาความไม่รู้ในรูปของปริยัติเพราะความรู้ในด้านปริยัติคือการศึกษาการสดับสัตฟังก็รู้เรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้ายามที่ศึกษาและเรียนรู้กันมา แต่ถ้าแต่ถ้าจะถามในแง่ของความเป็นจริงแล้วถ้าจะถามว่ายังมีความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าอยู่บ้างไหมในช่วงยาวของขณะจิตคือความคิดในแต่ละวันนั้นในช่วงยาวๆหลายช่วงซึ่งอาจจะเป็นชั่วโมงหรือหลายเชั่วโมงความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดขึ้นแต่ในบางครั้งบางคราวเวลาไปศึกษาไปสดับจับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าขึ้น ความครื่นแคลงสงสัยก็จะเกิดขึ้นเป็นช่วงเป็นขณะเป็นขั้นเป็นตอนไปอันเป็นการแสดงเห็นว่าถ้าพูดถึงขณะจิตแล้วความครื่แคลงสงสัยใครอบงาจิตของบุคคลได้เป็นนั้นมากทีเดียวได้มีประเด็นต่างๆเป็นนั้นมากที่เกี่ยวข้องกับพระประวัติของพระพุทธเจ้าซึ่งมอาจที่จะยังรู้ได้ด้วยสติ ป, ปัญญาธรรมดาของคน แต่ถ้าบุคคลไม่ได้ศึกษาถึงขั้นตอนกฎเกณฑ์ต่างๆเงื่อนไขต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้ความเข้าใจในชั้นนั้นๆแล้วก็จะมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่ภายในใจถ้าเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าโมหะก็เกิดขึ้นครอบงําจิตในขณะนั้นซึ่งจะเป็นขณะยาวหรือขณะสั้นก็ตามแต่ก็แสดงว่ายังมีโมหะอยู่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านั้น สำหรับบุคคลผู้ขาดหลักเป็นเรื่องพินิจพิจารณาแล้วอาจจะมีความเครียดแครงสงสัยแม้ในชั้นของพระประวัติของพระองค์และในชั้นของพระพุทธริยาของพระองค์ตลอดถึงในระดมดัดของพระองค์บางขั้นบางตอนเป็นต้จนจะในพระประวัติที่กอให้เกิดความเครียดแครงสงสัยของบุคคลเป็นอันมาก ก็มีอยู่บางตอนบุคคลแสดงความสงสัยให้ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ประสูติมาแล้วสเสด็จดำเนินไปด้วยประบาทได้เจ็ดครับทุกคนทุกแขแม้ในหมู่นักวิชาการชั้นสูงก็ตั้งประเด็นความเคลือบแคลงสงสัยกันในเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าบุคคลได้หยุดคิดโมหะที่ปรากฏในรูปของมิจิกิฉาคือความเครือบแคลงสงสัย ก็จะบาบางลงไปจากจิตใจของบุคคลผู้นั้นทอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของพระพุทธทเจ้ า, รร า, าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นคือเกิดมาแล้วก็จะเดินได้ด้วยพระบาทเจดเก้าปรากฏเป็นบุพนิมิตให้คนทั้งหลายเห็นแต่เสร็จแล้วก็คืนสภาพเดิมคือสภาพที่พระองค์เป็นทารกน้อ ย, น อ, ยนอนอยู่ในเบาะนั่นเอง อันนี้คือธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นอันนี้ถ้าบุคคลได้ศึกษาในกฎเกณฑ์ของกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกรรมโยุนิคนเรามีกรรมเป็นกําเนิดกําเนิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นนั้นมากเช้นกําเนิดของไก่กําเนิดของเจร์เคจกรรเนิดกําเนิดของเต่ากําเนิดของโคกําเนิดของม้าเป็นต้นหรือเกิดมาถึงแก่ก็เดินได้ถ้าจะถามว่าทําไมเดินได้นั่นคือธรรมดาของ เป็นกรรมโยนิเป็นกรรมโยนิคือกำเนิดของมันเป็นอย่างนั้นแล้วกรรมปฏิสรโ น, โนคือกรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นตัวพรดุงเป็นตัวรักษาผู้คนเหล่านั้นเอาไว้สัตว์เหล่านั้นเอาไว้อย่างที่เคยยกตัวอย่างถึงตัวนอนในพริกกับตัวหนอนในปลาคือเป็นกรรมโยนิของแกแกอยู่ของแกอย่างนั้นได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเปลี่ยนที่อยู่ครื่องนอนพริกไปไว้ในปราหนอนปลามาไว้ในพริกก็จะตายหมดทั้งคู่ เพราะอะไรเพราะกรรมไม่ปะไม่หล่อเลี้ยงแกเนื่องจากกําเนิดแกไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลมองในแต่ดยจุก็จะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องของพุทธวิสัยเป็นวิสัยของคนระดับพระพุทธเจ้าประจักษ์พยานที่ปรากฏในที่นั้นเขาก็พบเห็นกันเป็นนั้นมากแล้วก็เล่าสู่กันฟังในหมู่คนที่พบเห็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าก่อน ที่พระพุทธเจ้าเล่านั้นรับสั่งเล่าเมื่อจัดสรูุ้แล้วจะทรงแสดงธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอนดีตอนาคตปัจจุบันก็เหมือนกันธรรมดาเป็นอย่างนั้นแต่การเล่าถึงข้อที่พระพทระุทธศาสนาได้เดินด้วยพระบาทได้7จ็ก้านั้นเป็นการเล่าของคนที่พบเห็นมาก่อนเป็นเวลาถึง20่สิบปีหรือ30มสิบปีถ้าว่าบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิษพิจารณาก็จะกระจัดโมหะในขณะนั้นได้ ศรัทธาความเชื่อภาษาท่ความเลื่อมใสก็จะปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตอนุสติคือพุทธานนุสติเป็นต้นก็จะผ่องใสขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้นั้นและแม้ในเรื่องบางเรื่องเช่นในเรื่องของพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่บางครั้งก็มีปัญหาเช่นคนตั้งปัญหาว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องตำหนิพระเทวทัตด้วยถ้อยคำเช่นนั้นจะเป็นการตำหนิต่อสาธารณชน ทำให้พระเทวทัตไม่พอใจหรือโกรธแค้นพระพุทธเจ้าก้อนี้ถ้าเราได้ศึกษาเทียบเคียงถึงหลักเกณฑ์ในการแสดงหรือตัดของพระพุทธเจ้าสองชุดอย่างที่เคยกล่าวอยู่เสมอเรื่องใดก็ตามเป็นเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์ถูกกาละคนฟังชอบใจพระพุทธเจ้าก็รู้การที่จะพูดประชาเช่นนั้นประชารใดเป็นเรื่องจริงเรื่องดีเรื่องมีประโยชน์ถูกกาละคนฟังไม่ชอบใจ พระพุทธเจ้าก็รู้การที่จะพูดประญาเช่นนั้นอาการของพระเทวทัต์เหมือนกับคนที่เป็นโรคจําเป็นจะต้องผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดก็จะเป็นอันตรายและอันตรายเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นพระพุทธเจ้าก็ต้องผ่าตัดจุดนี้เป็นเรื่องของการบริหารการปกครองเป็นพุท ธ, ธะจริยา ค, คือจริยาของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นผู้บริหารหมู่บริหารคณะ จึ่งจำเป็นจะต้องใช้หลักข่มคนที่ควรข่มยกจ้องคนที่ควรยกจ่องถ้าหากว่าบุคคลไม่หลงประเด็นในการศึกษาในการทําความเข้าใจพระพุทธเจริยาปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นและแม้ในเรื่องอื่นๆซึ่งมีอยู่ในพุทธวัตจนั้นอาจจะพบว่าบางครั้งบางคราวคนกลัวคนอื่นจะไม่เชื่อก็พยายามที่จะใช้วิธีซึ่งเราใช้ตำหนิว่าถอดความ การถอดความนั้นต้องเข้าใจว่าธรรมาธิฐานและปุคลาธิฐานที่เราพูดกันธรรมาธิฐานคือแสดงธรรมะล้วนๆกันเลยมีธรรมะเป็นที่ตั้งบุคลาธิฐานมีบุคคลเป็นที่ตั้งที่จริงบุคลาทิฐานนั้นก็คือสะท้อนพฤติกรรมของคนที่ที่ธรรมะปรากฏในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นแล้วแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมปรากฏทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางความคิดจิตใจของบุคคลเหล่านั้นบ้าง ส่วนธรรมาธิฐานนั้นก็เอาธรรมล้วนๆขึ้นมาพูดเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นแล้วคือส่วนใดเป็นปุกกลาธิฐานก็เป็นปุกกะลาธิฐานอยู่แล้วส่วนที่เป็นธรรมาธิฐานก็เป็นธรรมาธิฐานอยู่แล้วไม่ใช่ว่าส่วนที่เป็นปุกกะลาธิฐานแล้วเราจะมาถอดเป็นธรรมาธิฐานการถอดนั้นถอดได้แต่ต้องถอดองค์ธรรมะออกมาไม่ใช่ว่าไปถอดไปตีความตามความเข้าใจของตัวเองแล้วในที่สุดก็จะเกิดความสับสน ว่าเรื่องบางอย่างนั้นเป็นเรื่องระดับปพย า, ยานของพระพุทธเจ้าที่มีความสัมพันธ์กืบ อ, อิงอาศัยกันระหว่างยานกับความรู้เหล่านั้นเป็นพัฒนาการทางจิตทํานองเดียวกับบุคคลขึ้นไปไปบนที่สูงเมื่อขึ้นไปจุดหนึ่งก็จะเห็นอย่างหนึ่งขึ้นไปอีกจุดหนึ่งก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งและจะเห็นกว้างไกลออกไปเรื่อยๆคนที่ยืนบนพื้นถนนจะไปวินิจฉัยตัดสินภาพซึ่งคนที่ยืนบนที่สูงบอกกล่าวนั้น เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าต้องการจะพยยิสูจน์ทดสอบก็ต้องขึ้นตามไปด้วยเมื่อบุคคลเข้าใจโดยหลักเช่นนี้ลักษณะของโมฆะที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจก็จะบรรเทาประบางลงไปจากจิตของบุคคลตรงนั้นหรือแม้ time. ในด้านความไม่รู้หรือความหลงในเรื่องของอรีสัตย์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ในอรีสัตข้อที่หนึ่งนั้น ทรงแสดงถึงสภาวะความจริงที่เป็นทุกข์ซึ่งตามปกติความสงสัยมักจะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่เข้าใจว่าตนกำลังประสบความสุขแต่ตั้งที่โดยสภาพแท้จริงแล้วเป็นความทุกข์ที่ลดลงเท่านั้นเองพุทธเจ้าแสดงความจริงตามสภาพชาติชรามรณะชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายแสดงว่าเป็นสภาวะทุกข์คือเป็นความทุกข์ตามสภาพ แต่บางคนบางคนมีความชื่นชมยินดีกับความเกิดแต่ในขณะเดียวกันพอถึงความแก่ก็พยายามชะลอปกปิดเอาไว้แล้วก็มองผ่านความจริงเหล่านั้นไปแล้วถ้าเรามองให้เห็นความจริงก็จะพบว่าคนเป็นจํานวนมากกันรู้ว่าเกิดแก่ตายเป็นทุกข์โดยเฉพาะความแก่กับความตายเป็นความทุกข์ความเกิดนั้น ใ, นใครอาจจะมองไม่เห็นอาจจะไม่ได้ค่อยคิดถึงในประเด็นนี้กันนะ แต่ถ้าหากว่าบุคคลได้จิบเอาเรื่องเหล่านี้เข้ามาคิดมาพินิจพิจนารณาโดยเฉพาะมากคือเครื่องวัดที่ทรงนิยามความหมายของคําว่าทุกข์ในความหมายของพระองค์ไว้ว่าเป็นอย่างไรเข้ามาจับก็สามารถขาจัดความเครีบแครงสงสยัยความรุ่มหลงความมัวเมาหรือความมืดบอดในเรื่องนั้นๆในจุดใดจุดหนึ่งลงไปได้ประเด็นที่สําคัญก็คือว่า เราไม่ได้นึกถึงนิยามความหมายของคําว่าทุกข์และไปเข้าใจเอาเองว่าทุกข์นั้นก็คืออย่างนั้นแต่ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ทุกข์ส่วนมากจะเป็นการตีความมาจากเวทนาคือการสวยอารมณ์เวลาประสบความไม่สบายกายไม่สบายใจก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์โดยไม่ได้มองในจุดอื่นในแง่อื่นว่าแท้ที่จริงสภาวะเหล่าอื่นก็เป็นทุกข์เหมือนกัน เพราะความทุกโดยความหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงหรือตามรูปสั์นั้นแปลว่าทนได้ยากหรือทนอยูดไม่ได้ดังนั้นสภาพใดที่ทนได้ยากหรือทนอยู่ไม่ได้คือสภาพที่รักษาสถานะของตัวเองสภาพของตัวเองเอาไว้ไม่ได้นั้นสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นทุกข์อยู่ร่ำไป แต่ในสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาจากเขตจากปัจจัยคือมีองค์ประกอบมาหลายอย่างจึงกลายเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นบ้านเป็นเรือขนขึ้นมาสิ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ทั้งหมดและสิ่งเหล่าใดก็ตามที่มีอาการแปรปลุนเปลี่ยนแปลงไม่คงสภาพเดิมอยู่ก็ชื่อว่าเป็นทุกข์สิ่งใดที่ถูกธรรมชาติแผดเผาบ้างการเวลาแผดเผาบ้างเหตุปัจจัยเหล่าอื่นแผดเผาบ้างก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ ให้ธรรมชาติเราใดที่ประสบกับความรล่าร้อนทั้งทางกายทั้งทางจิตจะเสวยได้หรือสเสวยไม่ได้ก็ตามแต่ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นทุกข์แต่ว่าบุคคลอาศัยมาศเหล่านี้เข้าไปกําหนดความรุ่มหลงต่างๆความเครือบแคลงต่างๆหรือความไม่รู้ในชั้นต่างๆก็จะผ่อนคลายลงจากจิตของบุคคลผู้นั้นแต่ในชั้นของการดูความเปลี่ยนแปลงทางจิตนั้น เป็นการดูทันในแต่ละขณะซึ่งผู้ปฏิบัติก็จะพบว่าบางครั้งมันก็เดินสม่ำเสมอดีมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในทั้งด้านอริยสัจและทั้งด้านของพุทธคุณธรรมคุณเป็นต้นแต่มีบางครั้งมันเกิดเปรตุกจิตใจเกิดสะดุดหยุดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเช่นการเจริญพุทธานุสติในแนวของการพิจารณาพระพุทธคุณเอาพระพุทธเจริยาบ้างพระพุทธคุณบ้างขึ้นมาพินิจพิจารณานั้นบางคราจิตมันก็สะดุดเวลาสะดุดนั้นหมายความว่าเวลานั้นขณะนั้นมันมีโมหะปรากฏขึ้นภายในจิตใจเราต้องรู้สภาพจิตโดยความเป็นอย่างนั้นว่าเวลานี้เป็นอาการของโมหะแล้วเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของขณะ ไม่ใช่เป็นเรื่องช่วงยาวเพราะช่วงยาวนั้นแน่นอนลึกเกินก็มีเห็นได้ชัดแต่มีสติรู้ทันหรือเปล่าท่า น, นั้นเองที่นี้ในการดูเหล่านี้บุคคลจะเห็นได้ว่าแม้แต่ในการภาวนาพุทธโธมันก็มีโมหะหรือไม่มีโมหะอยู่ใม้แต่การนับมันก็มีโมหะไม่มีโมหะอยู่หรือว่าการดูลมหายใจเข้าออกตามไปทั้งเข้าออทั้งออกก็มีทั้งโมหะและไม่มีโมหะอยู่ในขณะนั้นนั้น เช่นในกรณีของการนับลมหายใจเข้าออกเรานับเป็นชุดชุดไปถึงไปเผลอตรงใดตรงหนึ่งเช่นจะนับเจ็ดถึงแปดช่วงที่จะนับเจ็ดไปถึงแปดพอถึงหกเกิดลังเลว่าหกหรือเจ็ดหรือว่าไปถึงเจ็ดเกิดไม่มั่นใจว่าเจ็ดหรือแปดเป็นต้นหรือบางทีเผลอไปถึงแปดอันนี้เป็นโมหะที่เกิดขึ้นแต่ละขณะทั้งหมด ปรากฏให้บุคคลเห็นสภาพจิตของตนได้อย่างชัดเจนว่าโมหะแกก็แทรกซึมอยู่ตลอดเป็นความเผลอเรอเป็นความคลั่งพลาดเป็นความหลงลืมเป็นความมองไม่ตลอดสายเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ชัดเจนแก่จิตใจของตนหรือในด้านการภาวนาวัฏพุทธโธหายใจเข้าวัฏพุทหายใจออกวัฏโทรหรือพุโทโธทั้งเข้าทั้งออกหรือแม้พุโทโธธรมโมสังโฆก็ตามหรือภาวนาอย่างอื่นก็ตาม มันมีบางขณะที่แว บ, บหนึ่งขณะหนึ่งเกิดความหลงความลืมขึ้นมาเรียกว่าสติมันเกิดพลากไปจากอารมณ์กรรมฐานอันมีลักษณะคล้ายๆอะไรคล้ายๆกับเราสายกบไม้หรือคล้ายๆกับเราถูพื้นในชีวิตประจำวันหรืหรอแม้แต่กวาดขยะ แล้วกวาดก็จะอาจจะกวาดเพลิอๆไปแล้วก็เผลอชุบแ๊บเดียวยกไม่กวาดข้ามฝุ่นกองหนึ่งไปแล้วกวาดๆไปก็กวาดไปเสมอๆแล้วก็เผลอนิดหนึ่งยกข้ามกวาดยกไม่กวาดข้ามฝุ่นกองหนึ่งไปนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เมื่อเราตามเล็งดูจะพบว่ามีฝุ่นอยู่เป็นหย่อมๆหย่อมๆห่างๆกันบ้างชิดๆกันบ้างนั่นคืออาการของโมหะกินเดียวก แต่โมหะที่แสดงออกมาเชิงรู ป, ปรธรรม <_ d ata> เชิงพฤติกรรมที่เราเห็นได้ <_ d ata> ก็เป็นความหลงเป็นความไม่รู้ว่าเรายกไม่กวาดข้ามสิ่งเหล่านั้นไปแต่ถ้าหากว่าบุคคลกวาดอย่างมีสติอยู่ตลอดระยะเวลาสายตาก็มองไปที่พื้นที่ไม่กวาดสติระลึกสัมพันธ์กับงานที่กระทำไปโดยไม่ขาดสายเวลากวาดเสร็จแล้วมองดูที่พื้นก็จะกลายเป็นพื้นที่สะอาด ถึงในกรณีนี้เอาข้าจริงแล้วก็ทันได้ยากมากจะต้องมีอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งขณะใดขณะหนึ่งที่จะทำให้ฝุ่นบางกลุ่มหลงเหลืออยู่ในการกวาดพื้นนั่นพอมาถึงช่วงจิตยิ่งฉีกระชั้นมากยิ่งข่าวยิ่งขึ้นไม่ได้มองเห็นในแนนั้นแต่ไปเรื่องของสติจะต้องระลึกทันจริ ง, รงๆว่าเผยหรือไม่เผดหลงหรือไม่หลง หรือว่าสืบเนื่องกันไปมองไม่ได้พลากไปจากสิ่งเหล่านั้นแม้แต่การตามลมหายใจเข้าหายใจออกไปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าตามอยู่ได้ตลอดก็ชื่อว่าขณะนั้นจิตปราศจากโมหะแต่หาเกิดเผลอไปขณะหนึ่งหรือวูบหนึ่งก็ถือว่าขณะนั้นยังมีโมหะอยู่แสดงเห็นว่าโมหะแกก็ปรากฏตองแกได้ทุกขณะ บางครั้งเป็นอาการที่ทจริง จ, งจิงเพราะแท้ที่จริงแล้วพอถึงชั้นประณีตนั้นขณะแต่ละขณะนั้นมันนับกันไม่ได้ในขณะที่เรากําหนดเป็นปัจจุบันอยู่นั้นในช่วงของอนาคตก็กำลังใกล้เข้ามาช่วงของอดีตก็กําลังจะเกิดขึ้นทั้งๆ ท, ที่ว่าเป็นปัจจุบันสภาพจิตก็เป็นเช่นเดียวกันคือประการทั้ง3การนั้นมาจาะกันอยู่เพียงช่วงเว็บเดียวเท่านั้นเอง ปัจจุบันก็กลายเป็นอนดีตไปอนาคตกลับมาเป็นปัจจุบันและอนาคตเองก็มาจ่ออยู่ที่ปัจจุบันเพื่อจะเตรียมมาเป็นปัจจุบันและเป็นอนดีตต่อไปสภาพจิตจึงเป็นการไหลยอย่างแรงเช่นเดียวกับการไหลาบาของนา้าการไหลของกระแสไฟการตั้งสติระลึกให้เห็นชัดจริงๆว่ามีโมหะหรือไม่มีโมหะตัวสติสัมปชัญญะจึงต้องเป็นไปแรงปเป็นไปแรงกล้าในอารมณ์ดอดนั้น ถ้ า, าก็ามีความเผอเรือเกิดขึ้นแม้สติเองก็ระลึกไม่ทันก็ไม่รู้ซึ่งก็หมายความว่าในขณะนั้นโมหะก็ผ่านเข้าไปครอบงมจิตอยู่ได้ขณะหนึ่งโดยที่เจ้าตัวเองไม่รู้ว่ามีโมหะบังเกิดขึ้นลักษณะเหล่านี้ที่จริงแล้วบุคคลสามารถใช้อารมณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของตนนั่นเอง เป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพจิตของตนให้มีความมั่นคงอยู่ในอารมณ์ที่ตนกำหนดระลึกกำหนดกระทำอยู่ในขณะนั้นๆเช่นยกตัวอย่างว่าการนับการนับสิ่งของมันก็มีบางขณะที่ไม่มีโมหะและไม่มีโมหะอาจจะนับเงินหรือนับอะไรก็ได้แต่มีบางขณะที่ไม่มีโมหะบางขณะก็มีโมหะ ขณะที่มีโมหะก็คือนับพลาดไปนับพลังไปไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นพลาดพลังไปเป็นการไม่รู้ซ้ําไม่รู้ซึ่งหมายความว่าโมหะมันก็เกิดซ้อนอยู่หลายครั้งด้วยกันถ้าพูดถึงในขณะจิตแต่ประการที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในชีวิตประจำวันของบุคคลที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะคือเราก็ตกอยู่ในกฎของอดรตสสีทุกคน มีทุกข์มีสมุทยัยมีนิโรธมีมรรคบังเกิดขึ้นในระดับใดระดับหนึ่งอยู่ตลอดการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักที่เรียกว่าโยนิสุป น, นัสิการคือดูให้รู้ว่านี่ทุกข์สืบสาไปถึงต้นตอมันเกิดมาจากอะไรก็ ร, รู้สาเหตุของทุกข์ซึ่งเป็นอาการของสมุทยัยใช้กรรมวิธีต่างๆหลักการต่างๆเพื่อดับเหล่านั้นก็เป็นมรรคผลที่เกิดขึ้นมร ก, กลายเป็นนิโรธ เมื่อบุคคลเพียงพยายามสร้างเหตุสร้างปัจจัยจากภาย น, นอกคือในชีวิตประจําวันไม่ต้องเข้าไปในรูปแบบมากเกินไปกําลังภายในจิตใจของบุคคลซึ่งเราเรียกว่าพระบ้างเรียกว่าอินทรีย์บ้างก็จะเกิดเพิ่มคูณสูงขึ้นภายในจิตของบุคคลนั้นเวลาไปนั่งบําเพ็ญเพียรปฏิบัติในทางจิตใจไอจิตที่มีโมหะครอบงําก็จะน้อยลงจิตที่ไม่มีโมหะก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น และจิตที่ไม่มีโมหะนั้นจะมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความสว่างปรากฏขึ้นบุคคลเห็นคุณานิสงของสภาพจิตที่เป็นเช่นนั้นก็จะเกิดความพอใจในสภาพปิตเช่นนั้นทำให้มีความเพียรพยายามอย่างมีจดุดใจจดจ่ออยู่กับเหตและกับผลที่ตนต้องการปัญญาสมาธินีพิจารณาก็กงเกิดขึ้น กระบวนการแห่งธรรมะเหล่าอื่นจะเป็นอิทธิบาท4จะเป็นสมะปรธานสีโพธิวง7์เคืออินทรีย์5พระห้าเป็นตรงก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาสนับสนุนในระดับหนึ่คุณภาพจิตของบุคคล น, นั้นก็จะประกอบด้วยความสว่างสวายเพิ่มขึ้นความมืดในชั้นหยับหยับก็จะบรรเทาประบางลงไปแต่เนื่องจากธรรมะเป็นสันเล ข, ขาธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลว์การที่จะรับผลเช่นนั้น โดยจะต้องมีการกระทำบ่อยๆกระทำอย่างสืบเนื่องโดยไม่ทอดทิ้งในระหว่างแล้วผลอนิสง์ก็จะเกิดขึ้นตามสัดส่วนแห่งกา ร, รปฏิบัติของบุคคลเานั้นดังนั้นเรื่องของโมหะจึงเป็นเรื่องที่บุคคลสามารถบันทอนตัดกรอนความรุนแรงของโมหะได้ในชีวิตของตน โดยการหยุดคิดพิจารณาโดยการศึกษาโดยการสดับจับฟังโดยการมนานัศิการหรือการใส่ใจอย่างมีเหตุมีผลในสิ่งต่างๆล้วนแล้แต่เป็นการเสริมสร้างคุณภาพจิตให้มีปัญญาเพิ่มขึ้นเมื่อปัญญาเพิ่มขึ้นโมหะก็ลดลงแต่ในจริงเอาข้อจริงแล้วเราจะสร้างปัญญาเพียงอย่างเดียวก็ได้เพราะปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่ขจัดโมหะโมหะก็จะจางลงไปจากจิตหรือว่าจะทําหน้าที่ละโมหะก็ได้ แตสร้างปัญญาขึ้นก็อย่างแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนบางครั้งก็สอนให้ภาวนาอย่างเดียวแต่บางครั้งก็สอนว่าให้ละความชั่วประพฤติความดีเมื่อกล่าวโดยผลแล้วก็ย่อมจะเป็นอันเดียวกันการตามรู้จิตในสองลักษณะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั้นสอนทั้งในขั้นของการละและในขั้นของการบําเพ็ญแต่ว่าถ้าผู้บําเพ็ญมุ่งที่ให้สติเกาะแน่นอยู่กับอารมณ์มันก็เป็นส่วนของภาวนาเพียงอย่างเดียว แต่ผลเกิดขึ้นทั้งสองอย่างคือละฝ่ายความชั่วและเพิ่มพูนข่ายความดีให้บังเกิดขึ้นภายในจิตต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป